และภาวะตัณหาทำเหล่าไหนพึงทำให้เกิดมีด้วยอภิญยาได้แก่สมถะและวิปัสนาทำเหล่าไหนพึงทำให้ประจักษ์แจ้งด้วยอภิญยาได้แก่วิชาและวิมุตติมีพุทธพจน์แห่งหนึ่งในมูลสูตรอังคุตตรณนิกายทัศกนิบาศสรุปธรรมทั้งหมดไว้ดังนี้ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอถูกถามอย่างนี้พึงตอบชี้แจงแกเหล่าอัญญาเดรถีปริภาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่าแน่ท่านผู้มีอายุหนึ่งททั้งปวงมีชันทะเป็นมูล 2. ทําทั้งปวงมีมณสิการเป็นที่ก่อตัวสทําทั้งปวงมีผัสสะเป็นแหล่งเกิด 4. ทําทั้งปวง มีเวทนาเป็นที่ชุมนุมห้าทมทั้งปวงมีสมาธิเป็นประมุขหกรม ท, ทั้งปวงมีสติเป็นเจ้าใหญ่เจ็ดททั้งปวงมีปัญญาเป็นยอดยิ่งแปรรมทั้งปวงมีวิมุติเป็นแกน่นเก้าททั้งปวงมีอมะตะเป็นที่ยยางลง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 เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบด้วยประการทั้งปวงทมทั้งหลายเราแสดงแล้วโดยประการใดๆทมเหล่านั้นย่อมเป็นสิ่งที่สาวกมองเห็นจบท้วนโดยประการนั้นๆด้วยปัญญาชีวิตประเสริฐมีปัญญาเป็นยอดยิ่งอย่างนี้แหลชีวิตประเสริฐมีวิมุตเป็นแก่นอย่างไรคือทมทั้งหลายเราแสดงแล้วแกเหล่าสาวกในธรรมวิัยนี้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 ว่าเราจาักตรวจพิจารณาเห็นจบท้วนซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้มองเห็นจบท้วนด้วยปัญญาในฐานะนั้นๆหรือธรรมที่มองเห็นจบท้วนแล้วเราก็จักช่วยหนุนเสริมด้วยปัญญาในฐานะนั้นๆดังนี้บ้างว่าเราจักสัมผัสธรรมที่ยังไม่ได้สัมผัสด้วยวิม <ặ problemas, S 1> ุต <ako> ิหรือธรรมที่ได้สัมผัสแล้วเราก็จักช่วยหนุนเสริมด้วยปัญญาในฐานะนั้นๆดังนี้บ้างชีวิตประเสริฐ มีสติเป็นอธิปไตยอย่างนี้แล